เรื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งของนายอุทิตที่ได้ไปประสบมากับนายมัน่นหลังจากที่นายอุทิตได้แต่งงานกับแม่สาวรุ่งเด็กวัดพระยาต์ ต, ตำบลไผ่ลิงซึ่งเป็นสิทธิ์แม่ชีผู้เท่าและเวลานี้นายอุทิตได้มาต่อเติมเรือนที่บ้านของนายมัน่นที่บ้านขมิน้นซึ่งต่อมาเป็นอีกหลังหนึ่งที่ใช้เป็นเรือนหอแต่ว่าบัดนี้นายมั่นของเราก็ได้รับจ้างหล่อพระให้กับชาวบ้านที่อยู่บ้านม้าอายุธยา แล้วก็ถวายแก่วัดป่าโคปากคลองบ้านม้านั่นเองมีการฉลองพระอย่างครึกครืน้นมีทั้งเพลงพื้นเมืองเพลงฉ่อยและลิเกนายมั่นรู้ว่านายอุทิศนั้นนิยมของเก่าๆแทบทุกประเภทของไทยจึงชวนนายอุทิตแล้วก็นางรุ่งภรรยานายอุทิตไปในงานนั้นด้วยกันเราจะต้องพักกันที่วัดนี่หรือไงเนี่ยผมถามนายมัน่นมีบ้านพักสิบ้านเจ้าของงานนั่นแหละอยู่ปากคลองบ้านม้านั่นเอง แต่ว่าคนละฝ้าคลองของวัดนะในมั่นตอบอ๋อเป็นบ้านเจ้าภาพสร้างพระสินะผมว่าการสร้างพระนะ่ะเจ้าภาพมากคนด้วยกันแต่ว่าบ้านนี้อยู่ใกล้วัดก็เอาเป็นจุดใหญ่เป็นที่รวมพลการออกต่างจังหวัดของในมั่นเดี๋ยวนี้สะดวกมากเพราะว่าซื้อรถจิบเล็กจากคุณนายเศรษฐีเจ้าของภาพปั้นที่ร้ายแรงนั่นเอง คุณนายขายให้ถูกๆเพราะว่ารักใครโดยเห็นว่าเป็นเรื่องเหมาะที่นายมั่นจะต้องออกมาหางานต่างจังหวัดเสมอเรานั่งรถกันมาสมคนนายมั่นเป็นคนขับผมกับรุ่งเป็นผู้นั่งพอเลี้ยวเข้าวังน้อยทุ่งสองฝากทางผมเองก็เลยชักจะเป็นผู้ที่มีความรู้พอถึงวัดบ้านสร้างเราก็หยุดพักรถตามเคยแล้วก็กินเหล้าตามระเบียบแต่ว่าเที่ยวนี้เกิดพบเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวแผงลอยข้างถนนเข้า ตามธรรมดาก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นผีเข้าผีออกอยู่เหมาะก็ขายไม่เหมาะก็ไม่ขายนี่แหละครับการค้าของคนไทยผมเคยกินเขาเมื่อก่อนนี้ฝีไม้ฝีมือก็พอใช้ได้หากไม่อดไม่ทนในกิจการหรือว่าเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ทำๆหยุดๆทั้งที่ลูกค้าก็มีมากขึ้นผมเลยแวะเข้ามานั่งรับประทานกันรุ่งรับประทานเป็นอาหารแต่ว่าผมกับนายมัน่นรับประทานเป็นของกับแกล้มเหล้า การต้มน้ำต้มเนื้อก็สำคัญอยู่ทำไม่ถูกท่าเหม็นคาวไขเนื้อสำหรับการทำน้ำต้มเนื้อนั้นวิธีการทำให้ถูกต้องก็ต้องเป็นการต้มค้างคืนจะขายพรุ่งนี้ก็ต้องต้มไว้ตั้งแต่รุมรุมคืนนี้เอาเนื้ออย่างเร็วๆมาต้มน้ำเชื้อต้มพอน้ำเดือดก็เทน้ำทิ้งไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำใหม่คราวนี้ก็ปรุงเอาคือเอากระเทียมใส่ลงไปทั้งเปลือกแล้วก็ใบแห้ง ต้มรุมๆไปในคืนนี้ใส่เกลือบ้างน้ำซีอิวบ้างเพื่อทำรสชาติเนื้อเร็วๆเหนีย ว, วๆนั้นจะคายน้ำหวานของมันออกมาเต็มที่ทั้งหอมทั้งหวานเราเสร็จอาหารแล้วก็วิ่งรถเลยหนองไม้สุงแล้วก็คานหามไปพอถึงทางเลี้ยวไปวัดใหญ่ชัยมงคลผมขอร้องนายมั่นให้ขับเข้าไปในวัดใหญ่ชัยมงคลสักทีผ่านเลยไปเสมอไม่ได้แวะเข้าไปใกล้เลยมองดูแต่ไกลๆเห็นเจดี เมื่อชนช้างกับพม่าชนะเมื่อสร้างดอนเจดีสุพรรณและก็สร้างทางอายุธยาด้วยเรื่องนี้นักประวัติศาสตร์เขารู้กันดีอยู่แล้วแต่ที่ผมอยากจะย่างเข้าไปนั้นก็ด้วยเหตุอย่างหนึ่งคืออยากตามรอยพระบาทแห่งองค์มหาราชเพราะว่าพระองค์จะต้องเหยียบย่าอยู่ที่พระเจดีนี้เป็นอยู่มากจึงอยากได้มาสู่ผืนดินที่พระองค์เหยียบไว้เพื่อความชื่นใจตัวเอง ในมั่นเลี้ยวรถเข้าไปจอดไว้ที่วัดแล้วก็ชวนกันเข้าไปในลานพระเจดีย์ใหญ่ผมตื่นใจมากตามกำแพงที่ล้อมองค์เจดีย์นั้นสร้างพระประธานองค์โตเท่าคนจริงไว้รอบกำแพงจะน่าเกลียดอยู่ที่เอาองค์พระมานั่งตากแดดตากฝนแต่กลับน่าพิศวงไปในทางศิลปะองค์พระซึ่งเป็นปูนล้วนๆไม่มีการลงรักปิดทองแต่อย่างใดมองดูแล้วเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างประหลาด องเจดี JD ชักสุดแล้วก็หักพังบ้างก็เห็นจะเป็นทุนทรัพย์ของพระในวัดนั้นกระมังค่อยซ่อมแซมไว้เท่าที่จะทำได้ผมหลับตาแล้วก็นึกถึงภาพขององค์มหาราชกำลังทรงพระดำเนินตรวจการก่อสร้างในครั้งกระโ น, น้นจิตใจก็วังเวงนักเออวัดนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นวัดร้างนะในมันพูดขึ้นโรคเป็นพงเสือเลยแหละแต่ว่าจะมาร้างเอากี่ปีแล้วเนี่ยผมก็ไม่ทราบ แต่ที่จะกลับเป็นวัดขึ้นมาอีกเนี่ยก็เมื่อเราๆสัก20กว่าปีมาแล้วได้มีพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านชื่อว่าหวยเรียกกันว่าอาจารย์หวยท่านเป็นคนทางบ้านกระบางนูน่นพูดแล้วก็หันดูรุ่งเพราะว่าบ้านกระบางกับบ้านไผ่ลิงมันก็ติดกันอยู่มองดูรุ่งเป็นเชิงล้อว่าเกิดเมื่อวานซืนนี้ไหนจะรู้เรื่องบ้านของตัวเองท่านอาจารย์รุ่งนี่แหละท่านจะมาจัดเอาวัดร้างเนี่ยเป็นสถานที่ทํากิจในทางวิปัสสนา ซึ่งพอนานวันเข้าก็มีพระบ้างอุบาสกอุบาสิกาตามกันมาบําเพ็ญตัวอยู่ด้วยมากมายหนักเข้าหนักเข้าก็เลยตั้งเป็นสํานักสงฆ์ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้แหละเนมั่นเป็นคนอยุธยาเก่าซึ่งพอรู้เรื่องอยู่บ้างก็เลยอธิบายให้เกิดความรู้ได้ดีมากทําให้ผมหวนนึกถึงรัตนกวีท่านหนึ่งก็คือท่านสุนทรผู้ท่านเคยมาที่วัดนี้เพื่อค้นตํารายาวิเศษกินแล้วไม่แก่ทั้งทําให้รูปงามอีกด้วย โดยลายแทงทางเมืองเหนือนั้นแจ้งไว้ว่าที่วัดเจ้าฟ้าอากาศห่างออกไปอีกมากจากวัดใหญ่ชัยมงคล น, นี้ซึ่งมีตำรายาดีซุกซ่อนอยู่ผมถือว่าวันนี้เป็นวันที่ผมได้มีบุญตามรอยของท่านรัตนะกะวีวัดเจ้าฟ้าอากาศที่ท่านสุนทรนิราชไว้เนี่ยก็คือวัดเข่าดินในเวลานี้นั่นแหละในมั่นพูดและก็ชี้มือไปทางทุ่งโน้นผมรู้สึกดีใจอีกครั้งเมื่อได้ยินในมั่นพูดดังนั้น ไกลมากไหมอะครับผมรีบถามไม่ไกลนักหรอกอยู่ทุ่งบ้านธนูนั่นแหละก็ใกล้ไผ่ลิงล่ะเอา้านายมั่นพูดพลางหันดูรุ่งแล้วก็หัวเราะอย่างดังผมจึงนึกขึ้นได้ว่าวัดเจ้าฟ้าอากาศหรือว่าวัดเขาดินอยู่ในแดนนั้นเองที่นายมั่นพูดแล้วหัวเราะก็เพื่อกระทบรุ่งแล้วก็ผมเล่นนั่นเองก็เลยหัวเราะด้วยนี่คุณอุทิศ ถ้าคุณปีนพระเจดีมองไปทางทุ่งนู้นนะคุณจะเห็นวัดหนึ่งกลางทุ่งที่อยู่บนเขาดินสูงถ้าหากคุณย้อนไปนั่งบนกุฏิพระที่วัดเขาดินแล้วหันมามองทางนี้ก็จะเห็นเจดีวัดนี้อยู่ไม่ไกลนักแต่ว่าการเดินทางไปมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะลำบากหรอกคือไปมาอย่างสบายไม่เร่งร้อนก็ในราวครึ่งวันไม่ไกลกันเลยในมั่นอธิบายเอ ในนีราชเจ้าฟ้าอากาศของสุนทรผู้ออกนอกวัดนี้ตั้งแต่เช้าตรู่ถึงวัดนั้นเย็นค่ำผมแยง้งปะโถก็เมื่อก่อนนี้มันมีป่ามีไม้มากนี่นาะอาจจะบลูกป่าผิดทางไปมันก็ค่ำนะสิคุณอุทิศมันก็เพิ่งจะเป็นทุ่งก็เมื่อสมัยหลังๆนี่แหละความเจริญมันเข้ามาพอมันเจริญเข้าก็ถูกถางเป็นทุ่งหญ้าเป็นทุ่งนาแบบที่เห็นกันอยู่ทนโทกแค่เนี้ยไม่ไกลกันหรอกอืมก็จริงครับ ผมรับเราหยุดคุยกันเรื่องนั้นหันมาคุยเรื่องเจดีย์ใหญ่โตแล้วก็ดูว่าจะใหญ่กว่าเจดีย์ใดในยุธยาผมเดินรอบๆบริเวณเจดีย์อย่างตื่นใจและเมื่อมาดูใกล้ๆถ้าดูอยู่ไกลๆก็เพียงรู้สึกว่าเจดีย์เก่าๆไม่น่าจะสนใจดูเท่าใดนักเออคุณมั่นท่านสุนทรผู้ท่านว่าไว้ในนิราชนี่ท่านบอกว่าวัดเจ้าฟ้าอากาศนั้นพูดผีปีศาจดุร้ายนักเหรอครับผมพูดอืมก็อาจจะเป็นได้นะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ซาไปแล้วล่ะแต่ว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืนเนี่ยก็พูดนะบอกว่ายังไม่ค่อยไว้ใจนักเพราะว่าเมื่อยี่ปีก่อนเนี่ยมันยังเอาการอยู่ผู้เฒ่าผู้แก่นี่กลัวกันนักแหละสถานที่น่ากลัวหรือว่ายังไงครับเปล่าถ้าไปดูก็จะเห็นว่าร่มเย็นน่าสบายใจน่านอนเล่นตามศาราท่าน้ําแล้วก็ศาลาการประเรียนที่หน้าโบสถ์ก็น่านอนนะคุณอุทิศแต่ว่าไม่มีใครกล้าเอาพระท่านก็เลยเข้ากุฏิ เพราะว่ามีอยู่สององค์เท่านั้นเด็กวัดก็เข้ากุฏิในยามค่ามันก็เลยดูน่ากลัวนมั่นพูดอืมมันเป็นแบบนี้นี่เองเอาไว้วันหลังก็แล้วกันผมจะพยายามไปดูให้ถึงวัดนั้นเลยผมว่าเออมาถึงนี่แล้วเลยไปวัดพนันเชิงซะหน่อยเป็นไงละ่ะเอาเอาก็เอาสิครั้นแล้วเราก็รีบวิ่งรถเลี้ยวซ้ายไปตามถนนตาลจะเข้าวัดพนันเชิงพอจวนจะถึงทางรถไฟขวางหน้า มีสะพานหนึ่งข้ามคลองเล็กๆข้างทางรถไฟในมั่นหยุดรถแล้วก็ชี้มือมาทางด้านซ้ายให้ดูหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็บอกว่านั่นไงตำบล น, นั้นเนี่ยชื่อโบราณมากเลยตำบล น, นี้ชื่อว่าโรงมาลีอ๋อชื่อเฉพาะจริงๆครับยังกับว่าเป็นโรงเก็บดอกไม้ของใครน่ยผมพูดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะในเมืองนี้นะก่อนที่พระเจ้าอู่ทองมาตั้งเมืองอยุธยาที่ทั้งสองฟากแม่น้ําก็เป็นเมืองอะไรต่ออะไรมาก่อน ก็เป็นเมืองที่มีขนาดที่มีเจ้าครองนครเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหมู่บ้านทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วชื่อแปลกๆนั้นน่ะไม่น่าจะเกี่ยวกับอยุทยาหรอกส่วนมากก็จะเป็นชื่อที่เป็นชื่อก่าของนครเก่าๆทั้งนั้นแล้วก็วัดเจ้าฟ้าอากาศนั่นก็ต้องเป็นวัดเก่าแก่ก่อนอยุทยาผู้เฒ่าผู้แก่อายุ8090บบบอกว่าเกิดมาก็เห็นวัดนี้เป็นวัดร้างมาตั้งแต่เด็กอ่ะยังมีอีกวัดนึงนะ คนอยุธยาเนี่ยบอกไม่ถูกเลยว่าเป็นวัดสมัยไหนชื่อว่าวัดโกโรโกโซเป็นวัดร้างอยู่คนละฝ้าคลองกับวัดสแกนะคุณอุทิศแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเหลือแต่พระนั่งอยู่ที่โบสถ์เพราะว่าโบสถ์เนี่ยพังลงไปแล้วชาวบ้านก็เรียกกันว่าหลวงพ่อดําวัดพนันเชิงนี้ผมมาหลายหนแล้วแต่ว่าคราวนี้ก็เลยเหมาะนําภรรยามาไหว้พระรุ่งเขาเห็นเซียมซีก็เลยเข้าไปเสียงเซียมซีตามเรื่องของผู้หญิง เสร็จแล้วก็ลงจากโบสถ์กินกาแฟาแถวลานวัดซึ่งมีอยู่มากร้านอาหารคาวก็มีหลายอย่างแต่เราจะเข้าเมืองอยู่แล้วของขาวไปกินเอากันที่นู่นพอพวกเราสามคนดื่มกาแฟาเสร็จก็ออกรถกลับไปทางเก่าผมเหลียวดูหมู่บ้านโรงมาลีนิดนึงตามนิสัยที่ได้รู้อะไรใหม่ๆแล้วก็เหลียวมาดูวัดใหญ่ชัยมงคลอีกครั้งหนึ่งเสียดายวัดซุดสมลงมาก ในมั่นได้ฝากรถไว้กับบ้านใครก็ไม่รู้อยู่ที่หน้าวัดเสนารามแล้วเราทั้งสามคนก็เข้าร้านอาหารที่ตลาดหัวรอหาอาหารใส่ท้องกันซะก่อนไม่ต้องการให้ทางวัดเขายุ่งยากหาให้พวกเราอีกเราดื่มกินแล้วก็พูดคุยกันอย่างสบายรุ่งเป็นคนไม่มีอะไรจะคุยเมื่อขามาเห็นเธอเหลียวดูไปทางที่จะเข้าวัดพระญาต ด, ด้วยดวงตาเศร้าคงจะคิดถึงแม่ชีผู้มีพระคุณหรือเคยอยู่อาศัยมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย พ้นจากนี้เราได้ลงเรือห่างยาวมาจนถึงบ้านเจ้างานที่อยู่ปากคลองบ้านมา้าแม้จะมีคนไปวัดกันบ้างแล้วแต่ว่าทางบ้านยังอยู่กันอีกหลายคนในมั่นชอบพอกับบ้านนี้มากพอทุกคนเห็นในมั่นก็ทักกันเอะอะถึงกับลุกขึ้นมาจับมือถือแขนกันเป็นการใหญ่แล้วต่างพากันขอร้องให้เราทั้งหมดร่วมวงอาหารด้วยกันเราก็เลยจาเป็นต้องเข้าร่วมวงทั้งทงที่อิ่มมาแล้ว น้ำใจของคนต่างจังหวัดเป็นคนห่วงและก็มีใจดีต่อผู้ไปเหยียบถิ่นตนนักถ้าเราไม่ปฏิบัติตามอาจจะถูกคิดว่าเราเนี่ยรังเกียจเขาหรือว่าถือชั้นวันนะกับพวกที่มีกลิ่นโคลนสาบควายเราทั้งสามคนนั่งลงร่วมวงกับเขาเป็นอย่างดีพวกบ้านเขาก็มีเล่าหลายชนิดหลายประเภทใครมีอะไรก็มีแก่ใจไปหามารวมกันเราเล่นให้สบายกันก่อนก็แล้วกันเนาะชายคนหนึ่งที่ชื่อในมิ่งพูดขึ้น อิ่มแล้วก็อาบน้ำซะให้สบายค่อยข้ามไปวัดกว่าจะมีการละเล่นก็ตกข้ามนวยแหละพ่อมัน่นจงถือเอาว่าที่นี่คือบ้านของพ่อมั่นเองเชิญครับคุณเขาหันมาทางผมและก็รุง่งเราอิ่มข้าวมาแล้วก็ได้แต่ดื่มเหล้ากับกุ้งพลาปลายยำไปพลางๆส่วนที่ลานดินหน้าบ้านนั้นเขาได้ปลูกรงปร์มรมุงแฝปูกระดานแล้วก็ปูเสือซึ่งมีคนกินเหล้าแล้วก็กินข้าวกันอยู่หลายวง ทังหลังบ้านที่จะออกสู่ทุ่งมีการสุ่มไฟไล่ยุงผมเห็นแล้วก็รู้สึกสบายใจนักเมื่อได้กลิ่นใบไม้แห้งถูกสุมไฟมันเป็นกลิ่นบอกสถานบ้านทุ่งบ้านป่ามีลมพัดโ ช, ชยมามีกลิ่นควายและก็กลิ่นบุหรี่ของชาวทุ่งสูบเส้นยาไทยมวนด้วยใบตองแห้งกลิ่นมันบอกว่าเรากำลังพลัดที่อยู่พลัดบ้านเมืองมาแต่ว่ารุ่งนั้นคงไม่มีความรู้สึกอย่างใด เพราะว่าเธออยู่ในที่แบบนี้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกพวกผู้หญิงบนเรือนนั้นมาชวนรุ่งให้เข้าไปผลัดผ้าในห้องเตรียมไปอาบน้าผมกับนมั่นก็เห็นดีด้วยก็เลยทำตามรุ่งด้วยกันบ้างลงมาพื้นดินแล้วก็ลงสะพานน้าพอหย่อนกายลงไปก็สบายใจน้าเย็นดีพื้นเป็นทรายยืนอาบได้สบายรู้สึกเป็นธรรมชาติ นานๆจะพบสักทีหนึ่งก็เลยทำให้รู้สึกเป็นไทยแก่หัวใจเพราะว่าอยู่กรุงเทพนั้นเรามีแต่ของแทนล้วนแต่เป็นสิ่งที่ถูกบังคับตามความนิยมเมื่อมาอาบน้ำกลางสายลมน้ำไหลผ่านกายไปใบไม้ใบไผ่ถูกลมร่วงลอยผ่านเราไปลมกะระกศรีรษะเราเย็นก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยกำลังถูกห้อมล้อมด้วยของจริงเราไปถึงวัดการเล่นต่างๆได้ลงมือแล้วลิเกยอยู่กลางวัด บนสาาที่ตั้งองค์พระฉลองมีเครื่องสายไทยของชาววงอยุธยาส่วนทางด้านหน้าวัดนั้นเกือบชิดกับแม่น้ำมีเพลงพื้นเมืองเพลง่อยผมไม่ถนัดทางลิเกก็ขออยู่ทางเพลง่อยกับรุ่งแต่ว่าในม่านนั้นแกเดินไปทั่วนานๆก็จะเวียนมาหาผมแล้วก็ขยายเอาเหล้าในกระเป๋ากางเกงก็คือแม่โขงขวดแบนรินส่งให้ผมมีปลาหมึกปิ้งเป็นกับแกลมนี่ เราต้องเล่นแบบนี้เพราะว่าเราเล่นแบบนี้มาตั้งแต่วันแล้วทำสุ่มสีสุ่มห้าดื่มโน่นดื่มนี่บ้างเดี๋ยวจะยุ่งในมั่นพูดเตือนเพราะว่าแกเป็นผู้ชัดเจนในการเที่ยวทางชนบทจริงๆผมฟังเพลงชอยตั้งแต่เกินขึ้นจนถึงว่าประกันโดยไม่ได้ย้ายไปไหนฟังดูก็เห็นว่าพอไปได้เท่านั้นทางด้านเพลงชอยผมเคยฟังในบางเกากที่ดีๆมาแล้ว แต่ว่าของดีนั้นคือคนแก่ทั้งพระทั้งนางแก่ๆทั้งนั้นเรื่องนี้จำเป็นจริงๆเรื่องพ่อเพลงแม่เพลงจะต้องแก่ก็เพราะว่าการพบมาจนแก่ก็ย่อมเก่งทันหูทันใจส่วนที่กำลังดูกำลังฟังอยู่เนี่ยเป็นหนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นดีไปข้างมองดูรูปซึ่งแตกต่างกันกับคนแก่ๆแต่ว่าเรื่องของเพลงนีย่อมไม่เกี่ยวกับรูปร่าง เพราะว่าไม่ใช่เพลงแบบชาวเมืองหนาวที่ชอบจังหวะเร่าร้อนแล้วก็โชว์รูปร่างไปด้วยผมได้ชวนในมั่นแล้วก็รุ่งขึ้นบนสารลาฟังเครื่องสายไทยฝีมือเขาอยู่ในชั้นพอฟังจัดว่าเป็นคนงานทุ่งงานท่ามือด้านนิ้วแข็งแต่ก็พยายามเล่นได้ดีรักษาศักดิ์ศรีดนตรีไทยซึ่งชาวอายุทยาที่เป็นผู้ได้ให้ไว้แล้วก็เก่าแก่กว่ากรุงเทพ มีคนอู้อยู่คนหนึ่งเดินลูกเดินเต้าเผ็ดๆหูอยู่ทั้งสีลูกโทนได้ลอยลำแล้วก็โอดครวนได้จึงเพิ่มความเพราะหูได้ทราบความหลังว่าเป็นคนมาจากบางกอกนั่นเองชอบพอกับวงอายุทยาก็ชวนกันมาสนุกความรู้ในทางดนตรีไทยของผมไม่มีเพียงเป็นนักฟังก็เท่านั้นฟังได้เพลงสองเพลงก็ย้ายไปทางลิเกบ้างเพราะว่าสงสารรุ่งเขาเป็นคนชนบทก็คงจะชอบลิเกเป็นแน่ เท่าที่แกติดตามผมตลอดเวลานี้ก็เพราะว่าปฏิบัติตัวเป็นภรรยาที่ดีย่อมตามใจผัวเสมอแต่ก็คงไม่ตามใจผมถึงแก่ผมสูบฝิ่นเฮโรอีนแล้วแกจะชอบตามด้วยผมได้ชวนแกดูอะไรอะไรไปทั่วส่วนผมกับนายมั่นก็เป็นผู้มีประสบการณ์มามากก็หันแต่ดื่มเหล้ากับอาหารคาวตามร้านที่ขายอยู่ในวัดผมเคยขอร้องให้รุ่งไปเที่ยวดูอะไรกับแม่พวกผู้หญิงที่เขามาจากบ้านงานรุ่งก็ไม่ยอมไปจากผม นี่แหละครับผู้หญิงเด็กวัดอยู่กินในวัดเรียนกับวัดจึงไม่ทำอะไรที่ไม่เคยทำเวลาได้ล่วงไปจนงานที่วัดเลิกก็มีการเลี้ยงข้าวต้มกันและพวกเพลงก็เดินกลับมาทางบ้านด้วยเรือที่เตรียมมาลี่เกก็เช่นกันมีแต่พวกเครื่องสายไทยเท่านั้นที่ไม่กลับเพราะว่าจะช่วยทำเพลงตอนพระฉันเช้าด้วยก็เลยขนเครื่องมือลงเรือมาดใหญ่กลับมาบ้านงานผมสามคนก็เลยเฮลงเรือกับเขามาด้วย พอถึงบ้านพวกเครื่องสายไทยไม่ยอมขึ้นเรือนขออยู่ที่ปารำข้างล่างเพราะว่าลมพัดเย็นดีผมสามคนก็เอาบ้างติดอยู่ข้างล่างตามพวกเครื่องสายจึงมีโอกาสได้คุยได้รู้จักกันได้ความว่าคนซออูเนี่ยเป็นคนที่ชอบสนุกชอบเล่นตามบานนอกบานนาเฮฮาไปกับพวกเพราะว่ายังมีชีวิตโสดอายุก็รุ่นราวคราวเดียวกับผมคอดื่มก็เอาการอยู่เหมือนกันก็เลยเป็นที่สบอารมณ์ในมั่นนักได้ชวนกันตั้งวงดื่มอีก และในมิ่งเองซึ่งเป็นเจ้าบ้านก็พันเดียวกันยกชามกะละมังใหญ่ลงมาก็ร้องบอกว่าเอา้าเชิญจับใบเหยียบย่ำเจ้าค่ะมันคือตีนไก่ปีกไก่หัวไก่คอไก่ต้มกำลังร้อนในมั่นหัวเราะชอบใจบอกว่ามันโปร่งคอนักพิมพิมิงม่งเสียงชายคนหนึ่งร้องเรียกที่ท่าน้ำแล้วก็เดินขึ้นมาเอา้าบ้าไอ้ชมนึกว่าใครทาไมวะในมิ่งถามคืออย่างนี้พิมิง่ง คิดโชมว่าแม่รุมคอเพลงบางประหานแกจะมาช่วยเล่นเพลงฉลองพระด้วยแกมาแล้วก็ไม่ได้เล่นครั้นจะกลับก็กลัวทางกลับก็เพราะว่าแจ เ, าเรือมาด้วยกัน3ามคนก็เป็นผู้หญิงล้วนแกจะขอพักที่บ้านเราคืนหนึ่งเช้ามืดจะลาไปทิชโมอธิบายความเอา้าเชิญเลยวะเชิญเชิเชิญขึ้นมาเชิญขึ้นมาในมิ่งร้องบอกด้วยอารมณ์ดีทิชโมของเราก็เลยกลับไปทิท่าน้าอีกอย่างนี้แหละคุณเอ๋ยบ้านไร่บ้านนาะ นายมิ่งหันมาพูดกับผมเกี่ยวกับการบุญไกลแสนไกลรู้เข้าก็อุดสามาที่โชมได้เชิญแม่หรุ่มพวกเพลงขึ้นมาด้วยกันสมคนเข้านั่งทางซีกวงเครื่องสายไทยแม่รุ่มยกมือไหว้พวกเราที่อยู่เก่าหมดทุกคนดูหน้าก็บอกว่าอายุเนี่ตกเข้า40กว่าปีแล้วกลับไม่ไหวอะค่ะอีฉันกลัวแม่รุ่มพูดฉันตั้งใจมาช่วยเล่นเพลงกับเขาหยุดไปนานๆซักจะอยากเล่นบ้างก็เลยมากันสามคน พอจอดเรือก็ย่องขึ้นไปดูเขาแม่อายุมันคนละรุ่นกันเรามันแก่เกรงว่าเขาจะไม่สบายใจจะเล่นกับเราฉันก็เลยสงบไว้จอดเรือฟังเข้าไปขอพักก่อนนะคะเช้าจะรีบไป อ, อ๋ยินดีจะตามสบายเลยเชิญขึ้นเรือนเถอะเ อ, อ่อไม่ละค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยังไงขอพักอยู่ข้างล่างนี่แหละฉันชอบอากาศเย็นๆแม่รุ่มตอบขอบคุณ แม่หญิงอีกสองคนดูอายุจะราวๆกันแต่ว่าแอบหน้าบางเงามืดแม่หยุดไปนานเวลาจะว่ากันสักทีหนึ่งจะลำบากใจไหมครับนายคนซออู้ถามก็เป็นบ้างละค่ะแม่เพลงตอบอ๋อคุณเล่นซออู้นี่คะฉันเห็นบนศาลาฉันฟังเสียงซอของคุณเนี่ยดีเหลือเกินเสียงสายไปสายมายังกับว่าวตุยตุยวิเวกดีแม่ลุมชมเขาให ก็พอสีไปได้บ้างเท่านั้นแหละครับยังไม่ดีนะักที่บางกอกเขามีดีกว่านี้อีกเยอะเอาละค่ะฟังกันแค่นี้ก็เพร้อหูแล้วพูดจบก็หัวเราะกันทั้งหมดเครื่องสายไทยวงนี้เป็นคนหนุ่มทั้งนั้นเป็นผู้ใหญ่สักสองคนแม่เสียใจที่คุณพี่ไม่ได้เข้าเล่นเพลงที่วัดนะครับก็เลยไม่ได้ฟังเสียงคุณพี่จัดว่าไม่ได้มีบุญหูพ่ออู้ของเราก็ว่าเขานั่นอ๋อให้คุณคะเสียงคนแก่มันจะเด็ดแค่ไหนเชียว ถ้าได้ว่าก็ว่าไปอย่างนั้นล่ะค่ะเสียงคนแก่มันจะไปสู้เสียงสาวๆที่ไหนไว้พูดแล้วก็หวัวเราะกันซึ่งเป็นนิสัยของนักดนตรีที่มักจะถ่อมตัวเป็นประจำแม้เสีหใจจริงนายมิ่งว่าพวกเราเนี่มันเพลงเลอะเลอะเถอะ ๆ, ๆไม่งั้นก็คงได้ตั้งวงกันอีกพูดแล้วก็หวัวเราะอ้อนึกออกแล้วนายขนอู้พูดเอาอย่างนี้เถอะจะว่ารบกวนก็กราบละเอา้าขอให้เล่นเพลงสังขารากันเย็นๆสักหูเถ อ, อะ จริงสิคะคนอู้ก็มีอยู่ทั้งคนแล้วนี่เอาด้วยไงพีมมิง่งคนอู้ถามเอาสิแล้วกันของดีไม่เอาจะไปเอาอะไรล่ะเร็วงัดซออู้ขึ้นมาในมิ่งว่าในคนอู้ของเราหยิบซอขึ้นสายแล้วก็ลากคันชักไปทางแนวสังขาราหรือว่าหุ่นกระบอกอย่างทนทนตลบไปตลบมาแล้วก็ทอดโอดกระปิบกระปลอยไม่รุ่มยิ้มพอใจในแนวทางว่าจะเล่นกันได้จึงขอฉิงไปตีเอง ความจริงผู้ที่ไม่เคยฟังเพลงแบบนี้จะฉนงนใจว่าทำไมชื่อเพลงถึงเป็นแบบนี้ผมเคยได้ถามท่านผู้รู้ท่านได้บอกว่าความจริงเพลงแบบนี้มีเล่นกันเฉพาะหุ่นกระบอกแล้วก็พวกเพลงชอยมักจะเป็นเพลงตอนร้องลาแล้วก็ฝากรักมักจะราพันให้เศร้าใจเป็นการขอโทษขอสมากันไปในตัวเสร็จเพราะว่าประกันมาอย่างเจ็บเจบแสบแสบพอแล้ว ถ้าจะเล่นให้เพลาะแล้วก็สนุกนั้นก็ต้องมีสออู้มือดีๆคลอเคลา้าประกอบโอดโหยบ้างโทอนทนบ้างกระซิบกระซาบขัดขัดไปออดอ้อนบ้างมีรสชาติไปอีกแบบหนึง่งแต่มาเลิกซะโดยไม่นิยมเพลงไทยอีกแบบหนึ่งก็เลยขาดหายไปเฉยๆแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายที่ว่าเพลงแบบนี้เป็นเพลงขอทานเข้าใจผิดพูดผิดทั้งนั้นเอาละเอากันว่าถ้าเป็นเพลงขอทานจะว่าไม่ดีกระนั้นหรือ ขอทานมีวิชาแลกเงินที่ขอทานได้ไม่ดีกระนั้นหรือสออู้ทําลูกเพลงอย่างเก๋ในทางลูกโทนตลบไปตลบมาแล้วก็ทอดเสียงโหยลงกระปีบกระปลอยแทบว่าจะหยุดแม่รุมไต่ขึ้นเสียงกระเด็นดังแจ่มใสผิดอายุแล้วก็ขึ้นเนื้อเพลงที่บอกเนื้อไปตามระเบียบแนวทางของเพลงสังขาราส่ออู้ได้ประโปรยขัดเล็กน้อย กระซิบเบาแล้วก็กระซิบหนักไปตามเหมาะที่นักร้องใส่เนื้อถี่เนื้อห่างมีบทหนึ่งที่ร้องว่าโอนิจาสังขาราค่านี่เอ๋ยก่อนนี้เคยรุ่งโรจน์และโสดสวยยามสดยามสาวแพ ร, ว, พรวสํารวย ดวงหน้าสวยร่างงามชวนหวามใจไม่ว่านั่งยืนเดินล้วนเพลินมองทั้งร่ายรำคำร้องแสนผ่องใสช่างมีมหานิยมให้สมใจทั้งบ้านนอกบ้านในไม่จืดจางแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะสังขาราข้าล่วงเลยที่ชอบที่เชยร้างรามีท่าหมางช่างกระไรใจมืดมาจืดจางปล่อยอ้างว้างอยู่เดียวเปรี่ยวกมล แม่รุ่มทอดเพลงลงตรงนี้แล้วหญิงมีอายุสองคนช่วยรับลูกคู่หลังจากนั้นแม่รุ่มก็ขึ้นกรอนต่ออีกว่ายกมือเข้าช้อนอกชกชกคร่ำอกเอ่ยระกรรมกระเสือกกระสนท่านเจ้าขาเมตตาสักคนอย่าให้ถึงจนแก่ใจเลยนายขาถึงว่าตัวมาแก่แปรสังขารแต่ใจไม่ด้านด้วยดอกจะบอกให้ แม้จะแก่ก็ยังแน่นอยู่ข้างในยังใช้ได้อยู่ดอกนาในคราจนเอ่ยแม่เพลงแก่นึกจะพักก็หักลงเอาแค่นี้ลูกคู่ก็รับไปตามระเบียบ ซออูของเราดูหน้าซึมซมวางซอแล้วยกมือไหว้แม่เพลงทำอย่างไรนี่ผมจะได้มีวาสนาอยู่ใกล้ๆคุณจะได้เล่นเพลงอย่างนี้อีกเขาพูดคล้ายเครื่องเล่นเครื่องจริงแล้วก็มองตาคู่เพลงอย่างซึมๆพวกเราหัวเราะกันอย่างชอบใจโถคุณเอ้ยทำไมหลอกคนแก่ให้ดีใจแม่รุ่มก็ตอบด้วยทำนองเครื่องเล่นเครื่องจริงเช่นเดียวกันแล้วก็มองตาในอูของเราอย่างลึกๆ ผมไม่ได้พูดเล่นเลยนะครับแล้วก็ไม่กล้าจะพูดเล่นด้วยในอู้ไม่พูดมากคำแต่หนักแน่นนักรู้สึกว่าแม่เพลงอายุเลยสาวจะสบอารมณ์จึงพูดคุยอย่างเป็นกันเองเจ้าบ้านเอาอาหารมาเลี้ยงกันอีกเพราะว่าแม่ครัวฟังแล้วชอบใจผมจะจำติดหูแล้วก็ฝังใจไปจนตายในอูกรุงเทพซ้ำเข้าอีกขอบคุณค่ะพูดอย่างนี้จะจริงหรือเล่นก็สุขใจต่ออายุไปอีกนานละค่ะแม่รุม หยอดสำนวนไม่ย่อหย่อนไปกว่าพ่อคนกรุงเทพการสนทนาได้เป็นไปอีกนานจนแม่รุมกับพวกขอตัวไปนอนในเรือของแกเพราะว่าเกี่ยวกับการเดินทางของพวกแกที่จะเดินทางแต่เช้ามืดในอู้มีหน้าที่บอกความเสียดายนักหนาแต่ว่าจำเป็นจึงเดินทางไปส่งที่สะพานท่าน้ำคุณอุทิศเห็นหรือเปล่าล่ะว่าในคนอู้ของเรานะ่ะรักแยแม่เพลงจริงๆไม่ใช่ล้อเล่น ในมั่นกระสิบพูดกับผมเมื่อเขาเดินลงไปส่งกันที่ท่าน้ำผมก็สงสัยผมพูดเขาเล่นกันคล้ายเล่นแต่ว่าก็กินใจอยู่นะอุ้ยไม่ต้องสงสัยหรอกครับมันจริงเรื่องรักนะปิดใครไม่ได้หรอกก็เพราะว่ากระแสจิตมันออกมาทางดวงตาเพื่อถ่ายทอดให้อีกฝ่ายได้ทราบเมื่อฝ่ายหนึ่งรับทราบทางกระแสจิตแล้วทาไมคนอื่นๆจะไม่พลอยรู้ไปด้วยล่ะก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยมันมีเครื่องรับเหมือนกันมันก็เลยปิดกันไม่ยู ในมันได้อธิบายอย่างผู้ที่ผ่านอะไรต่ออะไรมามากนักแล้วก็ใกล้ความเป็นจริงทั้งสิน้นอืมก็อาจจะเป็นไปได้นะผมว่าเขาเกิดมีทัศนตรงกันเข้านักร้องแล้วก็นักดีดสีก็ย่อมนิยมในการและกันแม้จะแก่กว่ากันละกันก็รักกันได้โดยมีความนิยมเป็นสื่อนำโดยมีต้องใช้ความเต่งตึงแบบสาวมานาหน้ารักจริงก็ย่อมไม่ต้องใช้ความใคร่นา แต่ว่าไม่รูมน่ะแม้จะแก่ร่างกายก็ยังกระชุ่มกระชวยไม่ใช่ผอมแห้งผมมาเที่ยวครั้งนี้เนี่ยก็เลยนับว่าได้ผลที่มาพบรักแท้คนหนุ่มรักคนแก่ด้วยใจนิยมอย่างจริงจังผมพูดดึกพอควรแล้วเราก็ชวนกันนอนในมั่นขึ้นเรือนไปเอากระเป๋าผ้าใบเล็กของเราลงมาหมดแล้วก็แนะว่าหนุนหัวดีนักตกลงว่าคืนนี้พวกเราก็นอนรวมกับพวกเครื่องสาย นอนขดบ้างนอนเหยียดบ้างตามถนัดลมพัดเย็นก็หลับไปจนรุ่งเช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวคอยพระจะมาฉันตกสายเมื่อพระฉันแล้วก็มาถึงพวกเราพวกผมสามคนก็รวมอาหารกับพวกเครื่องสายดื่มเหล้าเช้านี่มันซาบซาดีในอู้คุยถึงจิตใจเ้ากับแม่เพลงเมื่อคืนผมพูดอย่างจริงใจนะครับผมรักแกเข้าจริงๆแล้วละ่ะในอู้พูดเมื่อเช้านี่ผมไปแอบดูเห็นเรือแกไปแล้ว ผมนิจใจหายอย่างพูดไม่ถูกแต่ว่านึกแล้วก็จนใจตัวมองไม่เห็นว่าผมจะทำมาหากินอะไรเลี้ยงแกได้งานไร่งานานาผมก็ทำไม่เป็นมัวแต่สีซอร้องเพลงก็อดตายแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าแกมีผัวหรือเปล่าเออเรื่องนี้สำคัญนะนามั่นว่าเรื่องอาชีพนะนานๆเข้ามันก็ทำเป็นนั่นแหละไม่ต้องไปคิดมากในขณะที่พูดกันไปกินกันไป ก็มีหญิงคนหนึ่งชายคนหนึ่งมีอายุมากแล้วยกกับข้าวมาเพิ่มอีกเมื่อคืนฉันจะลงมาที่พวกคุณฉันก็กลัวผู้หญิงพูดพวกเรามองดูหน้าผู้พูดเพราะไม่รู้ว่าแกกลัวใครเขากลัวอะไรกลัวอะไรล่ะพี่สาวในมั่นถามก็กลัวแม่เพลงเมื่อคืนนี้ล่ะค่ะเขาเป็นคนบ้านเดียวกับฉันบางประหารนูน่นกับสามีดิฉันคุ้นเคยกันนักเขาพ่อเพลงแม่เพลงมาด้วยกัน แม่คนนั้นพูดแล้วก็ชี้ชายที่มาด้วยให้ดูว่าเคยเป็นพ่อเพลงเก่าเอา้าในซออู้ร้องโธ่ทาไมไม่โดดเข้ามาประกันบ้างละ่ะเมื่อคืนเนี่ยอะไรได้ล่ะผู้ชายคนนั้นร้องผมก็กลัวแทบขาดใจตายอยู่แล้วแกพูดดังนั้นทุกคนก็เลยหันมองดูแกในมั่นถามว่ากลัวอะไรอะครับนี่แม่ดุ่มเนี่ยแกตายมาสี่ปีกว่าแล้วนะคุณเฮ้ยพูดแล้วขนลุก เขาตอบด้วยหน้าตาตื่นแล้วก็หน้าซีดทั้งพวกเราแล้วก็พวกเครื่องสายสะดุ้งไปทั้งตัวตกอกต ก, ตกใจไป ต, ตามๆกันแต่ว่านายสออู้ยังมีสีหน้าไม่เชื่อยังไงกันแน่เนี่ยพูดอะไรกันเนี่ยนายส่ออู่มีเสียงคันๆแกเป็นปีศาจครับชายคนนั้นพูดเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นด้วยกันแต่ว่าคราวหลังพ่อแม่ผมเนี่ยขอให้ผมเลิกเล่นเพลงกลัวว่าจะเอาตัวไม่รอด ชั้นแรกผมก็ขัดใจพ่อแม่ไม่ยอมเลิกเล่นเพลงแล้วก็จะขอแต่งงานกับแม่รุมยิ่งร้ายใหญ่เลยพ่อผมบอกว่าจะตัดออกจากกองมรดกผมก็เลยต้องยอมทาตามพ่อกับแม่แล้วก็เลยขอปวดอีกครั้งเพื่อตัดใจให้เด็ดขาดจากแม่รุมทั้งที่ผมเองก็เสียใจตรอมใจแต่ว่าเอาผะเหลืองป้องกันไว้แม่รุมเองก็คงเสียใจแกก็เลยล้มเจ็บล้มตายลงตายทั้งที่ยังโสดไม่เคยแต่งงานเลย ชายคนนั้นหยุดพูดแล้วก็ห่อตัวเหมือนยังไม่หายกลัวเมื่อพูดถึงแม่รุ่มในซออูนั่งฟังมีดวงหน้าเหมือนครึ่งเป็นครึ่งตาย